อคนดีเข้าคนดีพระดีพระช่วมก็เข้ากันได้อย่างที่ว่านอพระดีถ้ามุ่งหวังไปในทางที่ดีมันก็เข้ากันได้พระที่ช่วมก็เข้ากันได้แล้วให้หมู่เทวทัตก็ไปหาพระที่นั่ระดับระดับเดียวกันนั่นแะเข้ากันไปพวกนั้นก็เห็นด้วยฮนั่นแหะพ้นมาเห็นด้วยเพราะมันมันเร็วเหมือนกันมันก็เห็นด้วยแต่ไปพูดกับคนอื่น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 จากนั้นเขาก็มาทาถวายอาหารถวายพระถ้าเห็นอย่างนั้นฉันปรับอบัดทุกกฎทุกคาคือทำทุกคำเกินนะถ้าองค์ไหนฉันถ้าได้ยินเมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้านเอ้ยพระเขามามากไว้ปมาในหมู่บ้านของเราเราควรจะข้าวล้มวัวล้มควายล้มหมูหมากาไกา่อะไรก็ว่าเราจะ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 แล้วก็เนี่ยชันเนื้อชันปลายอีกต่างหากวากตกักปากว่าตาขยิบสมณะโคโดมพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทวทัตก็ไปโปรโมตกับบริวารของตอนเองจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก่นพระสงฆ์ก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าเทวทัตพูดอย่างนั้น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 แตกแยกสามัคคีในหมู่สงหยุดนะเทวทัศนะ์นะอย่าทมเทวทัศน์ก็ยังโปรโมดต่อไปอีกเรียกประชุมสงประกาศสวดประกาศเท่สวดประกา ศ, ร ป, รกาศประกาศในถามกลางสงเลยถ้าพระเทวทัศ์ยังไม่หยุดออการกระทาอย่างนี้แปลว่าฝ่าฝืนฝ่าฝืนการผิดต่อ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 ถ้ามันผิดแต่อย่าทำทำไปทําไมเราต้องการอะไรมันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่โฉวฟ้าดินจะลายตายไม่เป็นไม่ใช่สิ่งไหนที่มันถูกสิ่งนั้นที่มันเป็นธรรมอ่าอันไหนที่มันดีรู้ไหมดีโลกทั้งโลกเขายินดีเขายอมรับอ่าปรึกษาปารถกันโลกทั้งโลกเขาเห็นด้วยเห็นยอมรับเราก็ต้องยอมเว้นเจริมาพิจร า, นานรณาเแล้วมันผิดวินัยไหม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 เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูนะถ้าพวกเราทาไม่ถูกสวดไม่ถูกพูดไม่ถูกไม่ได้ใส่ใจแสดงว่าเราเไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอน ท, ทำให้การเป็นอยู่ของพุทธศาสนาย่อหย่อนลงไปเพราะเหตุอะไรเพราะพูดไม่ถูกต้องทาไม่ถูกต้องนี่แหละ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 ต่อไปภายภาคหน้าเขาบอกว่าผ้าน้อยห้อยหูก็ยังเป็นพระเพราะผ้าผืนกีวรพื้นใหญ่มันหมดขณะเป็นผ้าเหลืองห้อยหูผ้าเทหูเขาก็ยังถือว่าเป็นพระปุ้ยไรเพราะอันนี้คือพระหลวงพ่อได้ยินโยมอยูเอ็นมาเขาบอกแถวอยู่นานแถวนั้นลักษณะอย่างนั้น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 คนที่แก่เป็นไงเป็นที่พึงปรารถนาไม้มคนแก่ใช่แต่ตัวเองยังหนุ่มแน่นเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งนะแต่เมื่อแก่ตัวเองจะแก่เป็นไหมและตัวเองจะตายเป็นไหมแล้วจะมีความทุกข์อย่างนั้นหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมในเมื่อเรามีครอบมีครัวแล้วกันนะครนะนะอบครัวของเรามั่นใจไหมว่ามันจะดีอย่างที่ตัวเองคิดทุกอย่าง